ป็นเจริญสุขท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใกล้ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายวันนี้านการไขปัญหาธรรมะได้มีโอกาสบุญเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบ ก, กับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งแล้วก็วันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทศสิททิมุณีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระก็ได้มีโอกาสมาไขในวันนี้อาตมาภาพก็ว่างก็เป็นอันว่าวันนี้ก็ไขสรูปการไขปัญหาธรรมะ ในช่วงนี้ก็ไขถึงภาคปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาพระได้ทราบว่าโยมมีความสนใจมากก็ขออนุโมทนาด้วยคือไขไปแล้วก็มีประโยชน์กับท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าบางท่านจะไม่เชื่อคำว่าหนอถึงแม้จะไม่ศรัทธาในคำว่าหนอแต่ก็จะมีโอกาสได้ฟังยังมีโอกาสได้ได้สนทนามีโอกาสได้ รู้ว่าคําว่าหนาหรือว่าคําว่าวิปัสสนากรรมฐานนี้หมายความว่าอะไรคําว่าเนอความเป็นไปเป็นมาอย่างไรก็มีโอกาสที่จะได้ฟังและผู้ที่มีจิตใจที่เรื่องใจหรือว่าศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวทางของสติปัฏฐานสี่ใช้สติกําหนดอิธิยาบทใหญ่ทั้งสี่คือเดินเดินนั่งนอน หรือใช้สติกำหนดเห็นหนอได้ยินหนอได้กลิ่นหนอได้รู้ลบหนอได้ถูกต้องหนอ <c oughs> ก็จะได้มีความรู้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นไปอาตมาภาพจึงได้นำเอาปัญหานี้มาถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อจะได้ให้เป็นประโยชน์กับท่านสาวุชนพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้นำเอาธรรมะภาพปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมาไขในช่วงนี้ แต่ก็รู้สึกว่าญาติยอมมีความสนใจมากเป็นพิเศษถึงกับสั่งจองเทพมาจากต่างจังหวัดว่าให้อัดเรื่องนี้ให้ด้วยให้อัดเรื่องนี้ให้ด้วยที่ไข่ไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็ไข่ไปตั้งแต่วันเสารเนี่ยขอให้อัดให้ด้วย <c oughs> เขีจดหมายมาจากจังหวัดเพชรบุรีก็มีปราจีนบุรีก็มีแล้วก็อุทัยยาก็มีสุพรรณบุรีก็มีอันนี้ก็ออนโมทนาที่ ยายอมมีให้ความสนใจแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าดีในช่วงที่กําลังเข้าปรรษานี้เพื่อเป็นผลกําไรของชีวิตวันนี้ก็จะได้ไขถึงเรื่องกรรมฐานอีกกรรมกรรมฐานเนี่ยโยมก็เข้าใจกันแล้วดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทศจิตทิมุนีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาดุลละได้พูดแล้วแล้วเราเล่าพูดย้ำแล้วย้ำอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเน้นแล้วเน้นอีก นักไปในทางภาคปฏิบัติอทั้งนี้ก็เพื่อจะให้เกิดประโยชน์กับญาติโยมแล้วก็ให้ญาติโยมสาวุชลเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจในคําว่าพระธรรมฐานด้วยธรรมฐานเนี่ยแยกออกเป็นสองประเภทคืออ่าประเภทหนึ่งเรียกว่าการทําใจให้สงบเรียกว่าอารามโนปนิปชฌานประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าลักคนโนปนิปชฌานประเภทหนึ่ง อารมณโมปนิชานั้นก็คือการเพ่งฟังสงบเพ่งให้กิตเพ่งอารมณ์ให้กิตเป็นสมาธิก็ได้แก่เพ่งกสิณสิทธิ์ะสุสภาษิตอนุสติสิตดังนี้เป็นต้นส่วนรักโนปนิชา น, นี่ยคือเพ่งเตปูมิจธรรมเตปูมิจธรรมในที่นี้ก็ได้แก่โรกูกับนามนั่นเองอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาสมวัาเตปูมิจธรรมซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้น คือท่านยน่งก็ได้แก่รูปกับนามรูปกับนามที่เป็นกามธรรมรูปกับนามที่เป็นรูปธรมรมรูปกับนามที่เป็นอรูปธรรมทั้งสามอย่างเรียกว่าเตปูมิจฉธรรมรูปนามที่เป็นกามาธรรมนั้นก็ได้แก่กามาจิตห้าสิบสี่รูปยี่สิบแปดเจตสิทธาสิบสองอันนี้เรียกว่ากามรมาธรรมอรูปธรรม รูปธรรมเนี่ยก็ได้แก่รูปราวาจร 15, สิบห้าเจตสิกสามสิบห้าอัรูปธรรมก็ได้แก่อรูปราวาจร 12, สิบสองเจตสิกสามสิบดัมมะธรมรมรูปธรรมอัรูปธรรมทั้งสามนี้แหละเรียกว่าเตภูวิจธรรมซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นการกําหนดทางตาว่าเห็นหนอเห็นหนอก็ดีการกําหนดทางหูว่าได้ยินหนอได้ยินหนอก็ดีการกําหนด ทางใจว่ารู้หนอรู้หนอก็ดีอย่างนี้ก็อยู่ในเตปูมิตธรรมคือการเพ่งอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเช่นเดียวกันแต่อัตมาได้อารมพบตมานี้ก็ยังญาติยาโยมจะอาจจะยังไม่เข้าใจาเพราะว่าเวลาที่อารมพบตนี้ก็เป็นเวลาที่สั้นยอมจะเข้าใจจะรู้แจ่มแจ้งได้จะต้องอาศัย ส ต, ติปัญญาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทศสิทธิโมนีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาสุละเพราะว่าพระเดชพระคุณท่านมีความสนใจในเรื่องวิปัสนากรรมฐานมามาแล้วตั้งแต่อาตมายอยกังเล็กยังน้อยอยู่ท่านก็มีความสนใจแล้วแล้วก็ได้ศึกษาศึกษาไม่ศึกษาเปล่าก็ลงมือปฏิบัติด้วยปฏิบัติสัญญาบทย่อยตั้งเจดเดือนแปดเดือน อย่างนี้จะนับว่าหาได้ยากรู้สภาวะพอสมควรจึงได้นำเอาอข้อปัญหาหรือว่าข้อข้องใจต่างๆที่โยมมีความสนใจหรือว่ามีความสงสัยมาพระเดชพรคุณของพ่อก็จะได้แก้ไปแก้คำาสงสัยต่างๆจังนี้ได้ทราบว่ายอมท่านหนึ่งได้เขียนปัญหามามีความสงสัยในเรื่องความกับยุซึ่งเป็นปัญหา ที่เคยมีผู้สงสัยมาอีกอัตมาก็จะเป็นผู้ถามต้องขึ้นอาศัยสติปัญญาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ตอบเพื่อจะได้ชี้แจงให้ญาติโยมสามุชนหลายได้เกิดความรู้ฟังเข้าใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเจ้าพระผมวันนี้ก็ได้อ่านปัญหาของญาติโยมท่านหนึ่งที่เขียนมา ต้องอาศัยสติปัญญาของพระเดรพระคนให้ช่วยแก้ในปัญหานี้ด้วยคือปัญหาเรื่องพองยุบ <c oughs> คือสงสัย <c oughs> สงสัยคำว่าพองยุบนี้จะผูกปัญหาขึ้นมาเองหรือว่ามีหลักฐานอยู่ไหนที่ไหนถ้ามีคนอ่าผู้นี้ได้สงสัยถามมาครับพระเถรพระคนขออธิษฐาแก้ด้วยครับครับ <c oughs> อว า, ามสงสัยนะครับสงสัยเรื่องพองเรื่องยุบนี้ครับคือผูกูกปัญหาเนี่ย ขึ้นเองหรือผูกผูกบาลีขึ้นมาเองอย่างนี้นะครับอืมเพราะว่าพระเดชพระคุณหลพ่อก็ได้ศึกษาจนกระทั่งจบประโยคเก้าแล้วอาจจะแต่งคำพีขึ้นมาเองก็ได้ผูกเองก็ได้มันไม่ยากสําหรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยครับอันนี้มีผู้ต้องใส่ใจนี้ครับก็เขาอานาแก้ในข้อนี้ด้วยดีแล้วครับญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายไอ้ธรรมดาคมสงสัยของคนใ่มีอยู่นะจะห้ามไม่คนสงสัยไม่ได้มีข้อหนึ่งเราก็ต้องคิดไว้ก่อน คือความสงสัยนี่มันมาจากไหนคนจึงสงสัยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ให้อภัยกันคือสงสัยให้มันเป็นโมหะเรียกววิคิจิตฉาเป็นโมหะตักอยู่ในสมองของแตระบุคคลโลภะมีแปดโทสะมีสองโมหะมีสองในโมหะสองนั้นก็มีอุทธัจจะตัวหนึ่งวิคิจิตฉาตัวหนึ่งที่นี้ตัววิคิจิตฉานี่ทุกคนมีแล้ว เพราะากิเลที่เป็นอมโนใสติดมาแต่ขังดาขันดับสันดานก่อนๆมีอยู่สิบสองตัวตัวสงสัยนี่เรียกว่าโมหะโมหะนี้จะละได้เด็ดขาดต้องถึงพระโสดาบันเมื่อปุถุดถึงโสดาปฏิมักเมื่อไลาเมื่อนั้นตัวนี้จึงจะขาดจึงจะหายสงสัยดังนั้นการที่ชาวพุทธเราสงสัยน่ะทั้งพระและญาติโยมถูกต้องที่สุดแล้วต้องสงสัยแต่ว่าการสงสัยนั้นก็ต้องหายความสงสัยจะแก้ ห, หายได้ด้วย หลักสองประการปริยัติเนี่ยจะแก้ได้ห้าสิเปอร์ซ็นแต่ปฏิบัติจริงแก้แกได้ร้อยเอร์เซ็ตันนี้จะว่าถึงภาพปฏิบัตินิดหน่อยคํำว่ารองยุคนี้นะผู้ที่ไม่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้หรือแม้แต่ผู้ที่เคยเข้ามาปฏิบัติแล้วบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอย่างไรเพราะเป็นคําตุ้นตื้นพื้นพื้ น, นไม่น่าจะนําเอามาใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนา จึงเป็นข้อปฏิบัติอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาเมื่อสงสัยเช่นนี้ก็เลยเห็นเป็นเรื่องแปลกไม่น่าเชื่อบางคราวถึงกับนำเอาไปกล่าวล้อเลียนกะเล่นในทำนองชวนหัวเราะหรือเป็นเรื่องขบขันก็มีนั่นก็เป็นเพราะเขาไม่รู้ความจริงจึงขออธิบายไว้ดังนี้ยอมเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าการเจริญวิปัสสนาตามพุทธประสงค์ก็คือการกาหนดรูปนามเป็นอารมณ์ ถ้าผิดจากการกำหนดรูปนามเสียแลว้วก็หาใช่วิปัสสนากรรมฐานไม่นี่เป็นกฎเกมตายตัวที่ใครจะโตเถียงไม่ได้ก็การกำหนดรูปนามอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นเฉพาะการกำหนดรูปถ้ากำหนดรูปใหญ่ไม่ได้ผลก็ได้ผลน้อยที่สุดท่านก็อสอนให้กำหนดรูปที่ละเอียดรูปที่ละเอียดก็ได้แก่รูปที่ลมหายใจถูกต้อง ลมหายใจเขาออกไปถูกที่ไหนถูกที่ใดก็ให้กาหนดที่นั้นในทีน่นี้สถานที่ที่ลมหายใจถูกต้องอยู่เสมอนั้นมีอยู่สองแห่งคือที่จมูกและที่บริเวณท้องในสองแห่งนั้นปรากฏว่าสำหรับที่จมูกจะกาหนดได้ชัดเจนก็เพียงแต่ในระยะเริ่มแรกเท่านั้นฟันกาหนดนานเข้าเมื่อลมละเอียดลงจะปรากฏไม่ชัดเจน ส่วนที่บริเวณท้องต้องมีอาการพองยุบนั้นกำหนดได้ชัดเจนสม่ำเสมอถึงจะนานเท่าใดก็กำหนดได้และแสะดงสภาวะได้ชัดแจ้งชัดกว่าที่จะหมูกมากในเรื่องนี้ผู้ที่ทำการปฏิบัติแล้วย่อมจะทราบได้ดีทุกคนฉะนั้นรูปที่ลมโขกตัง้งที่บริเวณท้องคืออาการพองขึ้นในยุบลงจึงเหมาะ อย่างยิ่งแ่การตั้งสติกำหนดเพื่อจะเริญนวิปัฒนากรรมฐานซึ่งต้องอาศัยการกำหนดรูปนามเป็นสำคัญี่กล่าวมันดังนี้เรียกว่าเป็นสภาวิยุติคืออธิบายให้เข้าใจเรื่องสภาวะล้วนลวต่อไปอาคมยุติคือสามารถยกเอาพระบาลีอัคกถาละดีการขึ้นมารับรองเป็นพยานหลักฐานของสภาวยุติมีอยยังมีอยู่ว่า บริเวณท้องนั้นพองก็ดียกก็ดีที่มีอาการเคลื่อนไหวชัดเจนอยู่นั้นเรียกว่าวาโยผดทพรุคคือรูปที่ลมถูกต้องฉะนั้นพองหนายึกหนาะซึ่งกำหนดอยู่นั้นโยคีบุคคลลึนักปฏิบัติรู้อยู่แต่ปรมัาถสภาวะวาโยธาที่มีอาการเคลื่อนไหวดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเทศนาะไว้ในพระบาลีสังยุตติกาว่า โรตังพิเกเวโยนิโสมณีสิกโรธาโรปอนุปานิจนจังจตังยะถาภูตังสมนุปสัสสะแปลว่าโรูกรพิกษทธ์ทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการตั้งสติกาหนดที่รูปถ้ามีสมาธิแล้วรูปนั้นก็จะนุกนั้นอนิจจังก็ดีทุกครั้งก็ดีอนัตตาก็าดีย่อเห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นอน อั น, นงพระพุทธองค์ได้ทรงเทศนาไว้ในพระบาลีสังยตนิกายว่าโพธพเพ อ, อนิจจโตทานตโตปสัสโตอวิชาปหิยติวิชาอุปปชัชติแปลว่าโยคีบุคคลหรือนักปฏิบัติธรรมะที่โพธพารมณ์ถูกต้องสัมผัสนั้นต้องตั้งสติกมนตรู้เห็นอยู่ว่าไม่เที่ยงบุคคลนั้นอวิชาหายไปวิชายานปรากฏขึ้น ดังนั้นผู้ปฏิบัติที่กำหนดอาการพองอาการยกอยู่นั้นรู้อยู่แต่วาโยโคภคทัพรุคเช่นนี้แสดงว่าสัมมาทิฏฐิวิชชายานเกิดขึ้นมิชธาทิฏฐิคืออวิชชาหายไปและสามารถบรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันอันอึ่งพระศาสดาทรงแสดงไว้ในบาลีสติปัฏฐานสูตรว่ายะายะถาวาปนสกาโยปนโตโหติตถาสถานังประชานาติ ว่าร่างกายของผู้ปฏิบัตินั้นตั้งอยู่ในอาการใดๆเพราะตามตั้งสติกํามรู้อาการนั้นในอาการนั้นๆตั้งสติกํามรู้กายนั้นในอาการนั้นๆซึ่งในที่นี้อัตถาจานแก้ว่ายาถายะถาวาปนิสะเป็นต้นในบาลีนี้เป็นสัพสังคาหิกะวัจนะคึกกล่าวรวมเอาทั้งหมดหมายของว่าร่างกายของผู้ปฏิบัตินี้อาการเดินอยู่ ก็ตั้งสติกงหนดรู้ซ้ายอย่างเนาะขว่าย่างเนาะถ้าอาการยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็ตั้งสติกงหนตรู้ว่ายืนเนาะนั่งเนาะนอนเนาะถ้าหากกำลังเดินอยู่ก็ดีกำลังยืนอยู่ก็ดีกำลังนั่งอยู่ก็ดีกำลังนอนอยู่ก็ดีมีอาการอย่างไรเกิดขึ้นตามร่างกายนั้นก็ตั้งสติกงหนดอาการอย่างนั้นเช่นตัวยืนอยู่กำหนดว่ายืนเนาะตัวเอนเอนเนาะ ก้มเนาเหงเนอตัวตันเนอะคูนาะเหยียดเนอะยืดเนอร้อนเนอปวดท้องเนาะเงินเนาะขาดท้องพองขึ้นกับาพองเนอยึดนาะยึดเนอเป็นต้นอหรือพองเนอะยึดลงกว่ายึดนาะเป็นต้นอาการเล็กๆในน้อยก็กำหนดด้วยเพราะอาการเล็กๆในน้อยเหล่านั้นถ้าไม่ได้กำหนดก็จะเข้าใจผิด ยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นนิจจะคือเที่ยงทุกขะคือสุกอัตตาตัวตนได้ถ้ากำหนดก็เห็นได้เห็นอนิจจะไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกอนัตตาเป็นอาการของโรคของนามตามความเป็นจริงธรรมดากฎเกณฑ์ของวิปัสสนานี้อารมณ์ไหนกิเลสเกิดขึ้นได้เมื่อตั้งสติกำหนดอารมณ์นั้นกิเลสก็หายไปฉะนั้นวิปัสสนาย่อมทำ ลายอนุัยโผมและสร้างปัญญาผมให้เจริญขึ้นดังนั้นเดินเดินนั่งนอนอิริยาบถ ท, ทั้งสี่และพร้อมด้วยอิริยาบถเล็กน้อยซึ่งกล่าวรวมเอาไว้ในทั้งหมดนี้เรียกว่าสัพพสังคาหิกะว จ, จนะดังนี้ในทีน่นี้ควรทราบเรื่องอิริยาบถเล็กๆในน้อยนั้นหองยึดก้อนนี้ก็คืออัศสาสัพพสา ส, าสวาโยธาซึ่งเป็นวาโยธาชนิดหนึ่งในวาโยธาทั้งหกอย่าง เพราะอัศา ส, สาสะปาษาสานิเป็นกายปฏิพัตเกี่ยวเนื่องกับหนังท้องจึงเป็นวายโยกดผรุภุรุเป็นกายสังขารและพองวุฒนี้โดยตรงเข้าอยู่ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานดังนั้นพระชินวอนสำมาสัมปทนเจ้าจึงทรงสแสดงไว้ในพระบาลีสติปัฏฐานว่ากายูกายานุปสีบิหารติเท้าตามดูกายในกายูเป็นต้น อีกในยันหนึ่งผู้ปฏิบัติเมื่อนั่งลงแล้วที่บริเวณท้องนั้นอั ศ, า ศ, าศาะสะปัสสะวายโยธาเป็นเหตุเป็นปัจจัยวายโยโภตพรูปนี้ปรากฏชัดเจนอยู่เสมอในขณะนั้นพึงตั้งสติกำหนดว่าพองนองยกหน่ซึ่งท่านอักคมหาบันดิตโสภณาณเถระสแสดงไว้ในวิสุทธิยานกถาว่า อัตวาปา น, นิสินนัสโยคิโนอุทะเรอสาสะปัสสะสปัจยาปวัตตังวโยพุทภรูปังอุณนามนะโกนามนะนาการนะนิรันตรังปากตังโหติตัมปิอุปนิสัยยะอุณนมติโกนมติอุณนมติโกนามติติทีอาทินาสัญลักณตัปพังแปลว่าบุคคลผู้ปฏิบัติวิปัสนาเมื่อนั่งลงแล้ว ในบริเวณพองนั้นอศาะศาสะสะัพพะสาสวายโยธาเป็นเหตุเป็นปัจจัยวายโพโพธพรูปนี้ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วในขณะนั้นพึงตั้งสติกำหนดเจริญวิปัสนาภาวนาว่าพองเนยุบเนอพองเนยุบเนอดังนี้ภาณนามาก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในกรรมฐานภาวนาที่ว่าพองเนยุบหนาหพอสมควรแก่เวลาครับนี่แหละต้นเหตุ ที่เรากำหนดพองหน อ, อยุกหนอก็เพราะว่ากิตนารมณ์ของวิปัสสนานั้นมุ่งกําหนดขันห้าทีนี้ท้องของยกหนึ่งเป็นขันห้าเลยชัดเจนแล้นในบาลีจะกําหนดที่ไหนก็ได้ไม่จํากัดเฉพาะพองพองยุกไม่จํากัดเฉพาะเดินหมดทั้งตัวก็ได้เฉพาะส่วนย่อยก็ได้เพราะมีบาลีว่ายะถายะถากายวารปนสปณิมิโตโหติมุกกายอยู่ในท่าไหนเรากำหนดท่านั้นทูกทั้งนั้นอืหมายความว่าครอบจักรวาลมดเลย อย่าให้นิจักกายอันนี้เลยคือความมุ่งหมายครับทีนี้พองยุบนี่เขาชัดพองยุบนี่ก็เป็นกายด้วยแล้วก็ชัดด้วยบาลีก็บอกไว้ด้วยจะกําหนดที่ไหนก็ได้มันถูนกหมดเท่านั้นหมายก็ว่ากายน้อมไปทาา่าไหนอยู่ทาา่าไหนกำหนไดหมดจะเอาเย่อก็ได้จะเอาพิะดานก็ขขได้เอาแคบก็ได้เอากว้างก็ได้อย่าให้นิจักกายแม้จะกําหนดหมดทั้งล่างว่ายืนน้องก็ได้ท่ายืนถน้านั่งก็นั่งน้องก็ได้แคบเขามาเอาส่วนใดส่วนหนึ่งนิดเดียวก็ได้เ่นดเวลา หายใจเข้าท้องนูนเอาเาะที่นูนนี่ก็ได้ฮีเฟอบนี่ก็ได้อลองนึกดูสิวสเวลาเคี่ยวอาหารนิดนึงก็กําหนดได้เลี้ยนิดหนึ่งก็ให้กำหนดได้ฮะอากิตเตอติเตขาจิตเตอนิ่งก็กําหนดได้จึงนีภาเวนิ่งโพก็กําหนดได้พาสิตตอถ่ายอุจจระก็กำหนดได้ก็เมื่อถ่ายอุจจระเป็นรูปเป็นนามเป็นวิปัสนาได้แล้วท้องพองยุบมันยิ่งกว่าถ่ายอุจจระปัสสาวะมะมังมันก็คงถูกไปหมดเลยครับเนี่ยเพราะคำว่าพองยุบนะ อ่าทนี้ต้องใส่อะไรอีกใช่ครับผมอ่าพองพองนอยยุบหนอนเนี่ยครับอ่าอ่ต้องใส่ถามว่าประเด็พวกคุณหลวงพ่อโคงขึ้นมาเองหรือไงนะถ้าโค้งขึ้นมาเองก็ต้องดูหลักฐานนะเอ้าอยู่ในอ่าที่อ้างเราไม่กินยังไงอ่านะอยู่ในหนังสือวิทยานักฐานนะบารีว่าไงครับอ่าพองน้อยุบหนอนอ่าเอาดูก่อนดูบารีที่มาก่อนนะครับผมนี่แสดงได้ในนิสสุทธานักฐา นยึดติญาณกถาอยู่หน้าเท่าไลนะอยู่หน้า 7, 5, 5, 2, นะเจ็ดเป็นหน้าห้าอ้าวทีนี้คำว่าไงอะ่ะนี่บาลีว่าฟังนะครับผมอะทวานัตสานิสินนัตสยิโนุทเรอัตสาสปัสสาสปัจย า, า, า, า, าปวัตว ต, ตังวโยขุทธปรูปังอุณนามนะนี่พองโอณามะนี่ยกนะนี่เป็นเป็นนามทีนี้ก็นิ่รังตาังปากตังโหติตัมปิอุปนิทัยอุณนมตุ นี่ตัวกิริยาแปล ว, ว, ว่าพองโอนามตินี่แปลว่ายกาาบอุนนามตินี่แปลว่าพองโอนามตินี่แปลว่ายุบกันหักนี่ีหลักฐานในบาลีนะครับอ๋ล้นี่นี่ที่ว่ามานนี่คือเป็นหลักฐานในบาลีนะทีนี้กับฟังแปรที่เนี่ยนี่ตัวบาลีไม่ใช่ผูกกันนะผมไม่ได้ผูกนัในนี้นะ <c oughs> ผมผูกไม่ได้หรอกอย่างเนี้ยนี่มันพรมประโยคกเก้าแต่ก็ผูกไม่ได้เรเอาบาลีมาไม่ได้บอกว่าเองว่าอีกครั้งหนึ่งบาลีที่ว่าพองยุบเนี่ย เต็มมันว่าอัวาปนะนิสินนักษโยขิเนอุทเรอัสสะสัพัสสะสัพพจยาตวตังวายโยตปรูปังอุณมานะอุณมนะการเรนะิรันตระพาตังโหติตัมติอุปนิทัยอุณมติอุณมติอุณมติอุณมติติยาทิณาสังคีตพังแปลว่าบุคคลนักปฏิบัติวิปัสนาเมื่อนั่งลงแล้วในบริเวณท้องนั้นว่าในบริเวณท้องนั้น อุทเเรโยคิโนโอุทเเรในบริเวณท้องนั้นอัศสะสะัสสะวายโยธาอัศสะสะัสสะวาโยธาเนี่ยวาโยผดทปรูปตังแปลว่าวาโยผลทปรูปกวัดตังเป็นไปแล้วเนี่ยพเพราะฉะนั้นท้องนูนท้องแปบ๊บเนี่ยมันเป็นไปเพราะอะไรแปลตามศัตว์ว่าเมื่อนักปฏิบัตินั่งลงแล้วในบริเวณท้องนั้นอัศสะสปพัสสะวายโยธาเป็นเหตุเป็นปัจจัย วายโพดทพรูปนี้ปรากฏชัดเจนอยู่เสมอในขณะนั้นพึงตั้งสติกำหนดเจริญวิปัสนาภาวนาว่าพองน้อยยุบน้อพองน้อยยุบนอก็อุณนมมนะโอนมมนะวะบาลีก็ว่าอุณนมติโอนมติอุณนมติโอนมตินี่แหละขลับพองนอยุบนอดังนี้ อนี่บาลีไม่ได้ถูก น, นะนระคุณจ้าเห็นหรือยังอ่ะอันนี้บาลีก็ชัดอยู่ในคาว่าคล อ, องยุบคลองยุบนะครับใช่คลองยุบคลองยุบแต่นี้ไอ้พี่เราใส่ต่อท้ายของปองต่อท้ายคําว่าหนออ่าเอานอเข้ามาอีกใช่ไหมก็ต่อท้ายของยุคเนาะเอก็่อ้ายคำว่าหนอเข้ามาอีกนะครับอ่าแต่ น, น, นี้คําว่าหนอนี่อบาลีว่าไงครับพระเดชคุณหลวงพ่อครับอ่าเนอนี่เหอรอบาลีว่าไนอมันเป็นปารีววะต์ต์อ่าตอนนี้ปูขึ้นมาเองหรือว่ามันมีหลักฐานยัไง้ครับท่าก็ พระพุทธเจ้าโค้กไว้ไงครับเราเป็นลูกของพระพุทธเจา้าเห็นไหมล่ะครับผมทีนี้มาพ่อว่าไว้แล้วลูกเอามาใช้ผิดไหมก็ไม่โอ้โห<ะ>เออ น, นมันของพ่อมระดกของพ่อท่านเรียกว่าโคกิพิคาวเยโคจโรอ่าวิสยโยเมติโกเปรติโกอ่ายะทิทังจัตตารสติปัฏฐานะโดยกรพิสุทธิ์ทั้งหลายธรรมะอะไรอะไรยังใดย่างหนึ่งนั้นเป็นอารมณ์เป็นโคจร อ, อืมเป็นมรดกดั้งเดิม ของพ่อของแม่นี่เระว่าได้เจ้าว่าเมติโกเปติโกมันเป็นมรดกอันนําเดิมของพ่อของแม่เพราะฉะนั้นเมื่อพ่อของเราว่าไว้แล้วเราก็เป็นลกูกรับมรดกแล้วเอามาใช้มันจะไม่เสียหายอะไรมั้งหรืองไงก็ไม่เสียหายแม่จะอยู่คนละเล่มเอามารวมกันก็ได้ใช่ไหมครับอย่างศีลา่าไว้เล่มนึงวินัยปิฎกว่าเรื่องศีลประสุตันตปิฎกว่าเรื่องสมาธิอภิธรรมปิฎกว่าเรื่องปัญญานั่ก็อเอามารวมปฏิบัติเข้ากันได้แล้วทาไมหนอตัวเดียวทําไมจะเอามาไม่ได้ล่ะฮะ อ่าห น, น้าคิดไหมแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังใช่ไม่ใช่เรามาใช้ด้วยสมเด็จพ่อใช้มาก่อนแล้วใช่หน้งกับพระัญญาคลัญญาสำเร็จมรคนิพพานใหม่ๆพุทธเจ้าตาัดไปไงคุณเจ้าลืมแน่เหลืออัญญาสิวัตโภค น, นัญโยอัญญาสิวัตโภคนบัญโยคนอัญญะได้รู้แล้วหนอคนอัญญะได้รู้แล้วหนอนั่นธรรมจักรใช่ไหมเทศกันแรกในโลกเทศวรกายทั้งหมดก็เทศหนอ นั่นทำไมนะลูกก็จะออกมาใช้ไม่ได้เหรออย่างนั้นเราสวดธรรมจักรก็ตัดที่โมดสิหนอเอไปถึงคํานี้มาอย่าไปสวดที้งแต่ไปรังเกียดหนอเข้าเห็นาทุกวันนี้พระสวดธรรมจักรงานทําบุญวันเกิดของเจ้าใหญ่ในโตของใครของใครโอ้นีมนสวดธรรมจักรจะต้องอัญญาสิวะตะัตถูคนณตัญโยอัญญาสิวะตะัตถภูคุณตันโยต้องมีทางนั้นแหละถ้อาอย่างนั้นถ้ารังเกียดหนอเข้าก็เวลาสวดธรรมจักรก็ตัดออกเสียนะแต่นี่ยังขายกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองก็แสดงว่าไม่ไม่รังเกียดแล้วนะอันนดง อันี้อีกอันหนึ่งเวลาพระไปชักบางสกุลน่ะงานศพพระคุณเจ้าก็ไปบ่อยใช่ไหมครับผมและ ว, ว่างงล่ะอันนี้การไสังฆาลัใช่ไหมครับผมเออสังขัญทั้งหลายไม่เที่ยง น, น้องนี่นองก็ยังมีอยู่พระไปใช้กันทุกวัดทุกว่าเลยเห็นไหมเออบางสกุลที่ไหนก็เอาที่นั่นวัดไหมวัดนั้นเฉพาะคณะนี้ที่บนตำหนักก็มีหลวงพ่อสมพาวรวรรณะธาตุมรณภาพบางสกุลทุกข์เก<ม>ินเลยวานนีกลล้กับเ ก, กินนี้ขอบางทุกุลกันแล้ว พระมาสวดอภิธรรมก่เดีวยวก็จะจบก่อนิจาวัตสังครายแล้วทังขันทั้งหลายในเที่ยงน้องก็ไม่น้อยอยู่นี่แหละของเราเออจะมาจากไหนเราลองนึกดูสิก็เมื่อมันถูกตยง น, ตนี้ <ไป S 2> นเราจะไปลังเกียดที่ไหนดิ่นไปลังเกียจแล้ก็เกียจธรรมะใช่หมอย่างนี้เออมันเป็นธรรมะของพ่อนี่ลูกไปรังเกียจธรรมะของพ่อก็แย่เลยสิเพราะฉะนั้นมันเป็นอยู่ในพระใจปิดอกกัลละอยู่ในพระใปิดอกเล่นที่เส้นหนาร้อยแปดสิบเอสมันพัที่ สิบห้าสิบหตัวที่สี่ที่ห้านั่นแหละสวัสดิ์ถึงขนาดนี้เราจะเอาอะไรจะมาปูกกับเองก็แย่เลยสินะเขาใจรีดกก็มีอยู่หน้าก็ามีอยู่บรนทัดก็มีอยู่เล่ห์เมีอยู่ไปตรวจดูได้ว่าใครแต่งขึ้นพอจะทราบเดียวแล้วใช่ไหมอย่างเนี้ยผมก็เป็นนั้นว่าพระเดชพระคุณหลวงพอ่อก็ได้อ้างหลักฐานมาครบบริบูรณ์แล้วครับคำว่าฟองยุบหรือว่าฟองหนอยุบต่อนะครับก็การเวลาพอาแล้วขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเสนอ ท่านสาธุชนผู้ใจบุญถลายปัญหาเหล่านี้เขาเรียกว่าปัญหาตกทางที่จริงมันมีมานานแล้วแต่เราไม่เข้าใจธรรมะโดยมากเราดกไม่ได้คิดเชินพระชักบง ค, คุณกับอนิจจาวตสังขารท่านก็ไม่เคยแปลให้โยมฟังโยมก็ไม่เคยถามท่านแต่คณะอัตมาเอามาสอนเป็นธรรมะแปลออกมาชัดๆก็าอาตาม น, นั้นแหละคนก็ชักสงสัยว่าเอามาจากไหนนอกดูนอกทางหรือว่าไม่เคยเห็นทั้งโอ้ยถูกโย โยมไม่แปลโยมไม่สนใจพระชักบงสุขุนท่านว่าอย่างไร้ายต่คุณเจ้าอนิจจาวัตถสังคนาแปลว่าอย่งางไรโยมคยเคยถามพระพระมาก็เคยบอกโยมนอกจากเทศบนธรรมาภิษฐงที่ก็ว่าบางสังข์ทั้งไรไม่เที่ยงนะโยมนะก็ว่าให้ฟังแต่โยมก็ไม่ได้เลยสนใจดูบัลลมบาลีและไม่ได้สนใจปฏิบัติเมื่อมีเอามาปฏิบัติเข้าชักสงสัยว่าเออเอามาจากไหนที่เท้ก็ยากติพ่อข้อมีอยู่ทุวกวันในงานศพทุกคนทุกแห่ง ละตะเปรวันเนาะอันที่จริงไม่เที่ยมเนออย่างเดียวเปรวัดธรรมะที่ยังสมรสัตติขามซึ่งวัตตสงสารในใจสิ้นสมาธิปัญญาเัน้นรูปเต็มเขาวะมาจากวัตตสังสารงตะมาจากตระธาต์แต่วัดข้ามต่อกันเข้าเป็นวัตตสังสารตะไรติติวะตะัตเตธรรมะอันใดยังสมรสัตติข้ามซึ่งวัตตสงสารธรรมะอันนั้นเคือวัวะตะกำมานิยมแปลกันสั้นๆวันหนอแต่ความพิสดารไม่ได้สนใจต่อไปอีก มาจากขาดอะไรวิเคราะห์อะไรปัจจัยจึงเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยถ้าผู้ที่เข้าใจจริงถึงว่าฐานท่านวิเคราะห์ปัจจัยความหมายแล้วให้สงสัยเอามาใช้เพืไปได้ปัจจุบันเพื่อให้เพิ่มขณิกะสมาธิเป็นประโยชน์มากต่อการปฏิบัติถ้าเราพองรูปพองรูปเนี่มันสั้นเมื่อสั้นแล้วรูปนามดับสติไม่ทันเมื่อใส่น้อนแล้วสติมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกสมาธิเพิ่มขึ้นมาอีกเวลารูปนามดับคงเป็นตอนไหนจะได้จับได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง ไปจาะนั้นหนอจึงเป็นประโยชน์ขัน้นรูปพันนามเป็นประโยชน์ให้ทันปัจจุบันเป็นประโยชน์ให้เห็นรูปน้ำเกิดดับชัดเป็นประโยชน์ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเร็วขึ้นมีประโยชน์มากอย่างนี้เลยกระลับอาลาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัชนี้การไขปัญหาในการนี้จบแล้วเรื่องของยก บ, บางคนก็นึกว่าตมาได้ประโยชน์กล้าสอบได้แต่งบาลีได้นึกว่ามรรเขาเองที่แท้ก็มีอยู่ในหลักฐานบาลีอย่างที่อ้างให้ฟังบนกินนี้ อุนม น, นะโอนมนะอุนมนัติโอนมัติมาจากหน้าไหนเล่มไหนก็ไหวฟังแล้วนะเมื่อกี้นี้นะไม่ใชฉลิมมาโพล็อกอัตามาเอาที่ทนแต่งไว้แล้วมาอธิบายให้โยมฟังอีกสดหนึ่งเราเป็นธรามะจบแล้วขอจิติไว้เทียงท่านี้แต่เจริญสุขท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใกล้ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายอาการไขปัญหาในวันนี้ก็จะได้ไขสื้อต่อจากเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระท่านก็ไถ่ถึงเรื่องทองลุกดังที่โยมได้ฟังไปแล้วแต่ก็เป็นปัญหาที่น่าสนใจและก็เป็นปัญหาที่น่ารู้ด้วยสําหรับคนที่อยากรู้อยากประพฤติและก็ปฏิบัติการเจริญวิปัสนากรรมฐานเป็นธุระสาคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงไว้ เป็นพระไตรปิฎกแล้วก็มีดูสี่สิบ้าเล่มเมื่อว่าโดยรรมขันก็ได้ได้แปดหมื่นสี่พันก็ทำมาขันย่อย่นลงในแนวทางของการปฏิบัติแล้วก็เหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาย่นย่นลงได้หนึ่งก็คือความไม่ประมาทดังนั้นการที่เราปฏิบัติที่ปััสนากรรมฐานการกำหนดทองนอยุกหนอหายใจเข้าท้องทองหายใจออกทองยุกที่เรากำหนดทองน้อยุกหนอนั่นแหละเราคือเรามีชีวิต อยได้ความไม่ประมาทฉะนั้นพองหนอยุบหนอนี้ก็ยังมีผู้สงสัยมากเหลือเกินคือคนเก่าที่หายสงสัยไปแล้วคนใหม่อที่เกิดมาใหม่และก็โตขึ้นมาก็ได้ยินไดน้ฟังก็สงสัยกันต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านเหล่านั้นได้ลงมือปฏิบัติพองหนอยุบหนอตอหนอยุบหนอแล้วก็จะหายสงสัยเองเมื่อตอนนี้อจะมาภาคพองสงสัยเหมือนกันทางที่ยังไม่ได้บวช คือพศ 2496-97 นู้นคืงยังไม่ได้บวชแต่ว่าตอนนั้นได้ปฏิบัติแล้วได้ปฏิบัติธรรมะคือธรรมตายแบบหลวงพ่อวัดตอน้ําแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลองพ่อวัดตองน้ำด้วยเป็นมาสี่ห้าปีได้ปฏิบัติแบบสมถะอ่าภาวนาว่าสัมมาอ拉หังสัมมา阿拉หังคือเพ่งดวงธรรมตายสมมุติว่าเป็นลูกแก้ว พองดข้าวไข่แดงของไก่ไก่ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรเจรไนเอามาตั้งวัดนิทานที่เกศเหนือสะดือขึ้นมาประมาณสอนิ้วในกายของกายกลางกายแล้วก็เพ่งให้เห็นเป็นลูกแก้วใสอาตมาก็เพ่งดูนานเป็นเดือนเป็นปีใครๆก็เพ่งกันเห็นแต่อาตมาก็เพ่งไม่เห็นไม่เห็นลูกแก้วสักทีหนึ่ ง, งแล้ววันหนึ่งก็หาได้ไปหาหลงพ่อ เจ้าวาดวัดทำลิมิตคืออาจารย์ฮัวท่านก็แนะให้ใ ห, ให้ว่าพองหนอยุบหนอเนี่ยท่านให้นั่งขัดสมาธิถนัดลองของท่านดูบ้างอ่าอาจารยก็นั่งขัดสมาธิตอนนั้นยังยังเป็นฆราวาสอยู่นั่งตัวตรงดํารงไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะตั้งสติท่านสอนให้ตั้งสติไว้ที่ท้องเหนือสะดือขึ้นมาประมาณสอนิ้วเวลาท้องพองภาวนาว่าพองหนอเวลาท้องแยบภาวนาประยุบหนอ พองหนอยุกหนอพองหนอยุกหนอคือปฏิบัติไปปฏิบัติไปท่านก็บอกว่าดีไหมดีไหมอัตมาพระนึกในใจว่าเอ้่นี่มันดีเหมือนกันคือมันเห็นพองมันเห็นยุบกําหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยมันเห็นพองมันเห็นยุบแต่เราเพ่งลูกแก้วไอ้ดวงธรรมกายมาตั้งนานมันไม่เห็นสักทีพแต่ว่าเราเพ่งพองหนอยุบหนอแนี่มันเห็นพองมันเห็นยุบอู่เรื่อยเลยและสมาธิมันดีด้วย ตั้แต่นั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติพองหนอยุบหนอมาเรื่อยเลยก็ได้ซื้อหนังสือคณะห้าไปอ่านบ้างอะไรบ้างแล้วก็ได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ได้มาบวชกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพพิธีมนีพระอาจารย์ใหญ่ฝ๋ายิปัสสนาตุลนี่แหละเพราะว่าได้เพื่อใส่พองหนอยุบหนอพรามันมีจริงๆมันเห็นพองเห็นยุบจริงๆเวลาเท้อพองไปเห็นพองจริงๆ เวลาท่องยุคไปเห็นยุคจริงๆก็เลยหายสงสัยเมื่อก่อนไม่เกียรหนอยจริงๆเกียรมากที่สุดไม่ชอบแต่ว่าพอนน้อยุุหนองบางทีก็พูดเล่นล้นอเล่นบ้างคองนั้นมายุบแล้วจะวางไงอะไรอย่างนี้พูดเล่นนี่แต่ไค่รู้ว่าเป็นปาบาปว่าปัจจุบันนี้ก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่ได้พอหน่อยุบหนอพอ ห, หนอ่อยุบหน่อเนี่ยเป็นของประเสริฐมากแต่ยอมถ้าหากว่าได้ปฏิบัติแล้วยอมก็จะหายสงสัยเหมือนกับอัตมา หายสงสัยคองนอยยุบนอ้อยก็จะหายสงสัยเลยแล้วก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไระวันนี้ก็ได้เล่าให้ญาติโยมชาวทุกชนทั้งหลายได้ฟังในถึงเรื่องที่อาตมาได้ปฏิบัติพองนอยุบนอยจนกระทั่งเห็นความจริงในรยุหนอยองหนอบ้างตาวทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ได้ทุเนศมรคลจะประการใดคือยังเป็นโลกิยะชนอยู่แต่ว่าได้เห็นผลของการปฏิบัติว่าพองนอ้อยยุบน้อเนี่ยทำให้เกิดสมาธิได้ดีทําให้เกิดปัญญาได้ดีเท่านั้น พระเดชพรคุณหลวงพ่อครับวันนี้ก็กระผมได้คุยกับโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นโยมแก่ซึ่งมาที่นาคาฮ่าที่โต๊ะเกขาคือมาจากต่างจังหวัดนะครับคือโยมแก่เนี่ยอ่าได้มาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มาถามว่าเรื่องหนอคือถามเรื่องหนออีกนะครับคือถามว่ามีคนสงสัยคันมากเลิศเกินเรื่องหนอเนี่ยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบายนะครับแล้วก็อ้างหลักฐานด้วยนะครับปัญหาก็มีธรรมน้ครับขออัานาครับ เรืหนอนี่หาจินไม่หมดโงยงไอ้เทศกันไหนก็บลงหนอเลยอัตมาเทศกันเดียวกวคงจะพอนะตั้งเจอไปแอาจารย์หนอประเทศอันนี้เทศเรื่องหนออันนั้นโยมสงสัยสงสัยเรื่องนี้คําว่าหนอนี่มันเป็นภาษาอะไรแล้วขอวิจารณ์ใช่ก่นนักสศาส์หนอเย็ยนตัวหอตัวหน อ, ต, หนอตัวอ้อโยมอ่านดูสิทกคนคองอ่านได้น ะ, ะกดตัวแล้วหนึ่งตัวหอ สองตันาสามตัวอเราไม่อ่านว่าหอหนอเราก็อ่านว่านอไม่ไม่ได้อ่านว่าหนอเราก็อ่านกันว่านอนี่เป็นภาษาไทยแต่ภาษาไทยนี้นะตัวนี้เราแปลมาจากภาษาบาลีรูปภาษาบาลีววะตะวัตตนี้ก็เป็นคำของพระพุทธเจ้าพราะองค์ใช้ครั้งแรกในโลกกอนใครทั้งหมดเลยที่ปาอิสิปตนะ ฤกษ์ตัยวันแขวงเมืองพารณสีโดยเทศปทมเทสนาหรือเรียกว่าธรรมจักรกปรวัตนสุเหตเกศกันแรกในโลกตอนไทยพายพระองค์ตรัสถึงเรื่องอพระตันเจวคีทั้งห้าที่ได้แต่พฤ่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วได้ผลเป็นที่พอผัดไทยแล้วพระองค์จึงได้ทรงเป็่งพระาจาวจาอัญญาสิวัตโพคุนัโย ัญญาสิวัตโพกนัญโยคนยัญระได้ดูแล้วหนอคกนัญระได้รู้แล้วหนออันนี้ท่นเรียกว่าเป็นพระวจา j a ออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าตัดเองแท้แท้ทีนี้เมื่อเราเป็นลูกของพ่อลูกของพระพุทธเจา้าเราก็เอาสมบัติของพ่อมาใชา้มาปฏิบัติอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้พระสงฆ์องค์พระเจ้าเลี้ยงพระสงฆ์องค์พระเจ้าได้ก็ดูไปเฉพาะอันนี้แหละ เพราะเหตุไรเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไปชักบังสุกุลวัดไหนวัดนั้นศพไหนศบนั้นจะไม่ทิ้งคําว่าหนอนี่เลยต้องมีทุกหนทุกแห่งเลยจะไปว่าอยู่ในประเทศไหนเมืองไหนก็ตามขึ้นคือว่าชักมัทธิกาชักบังสุคนลมันจะเพิ่มคําวั น, นหนอนี่อยู่เสมอเสมอแต่ถ้าพูดแปลออกแล้วจริงจะขราบซึงแต่พูดแปลไม่ออกแล้วก็จะไม่รู้หรอกว่าท่านเอาว่าไว้ที่ไหนเอามาจากไหนอย่างไร ก็เกิดความสงสัยของใจฉะนั้นคําว่าหนอนี้รากฐานเดิมมาจากบาลีววะตะอันวัฏตะนี้ก็ไม่ได้แปลว่าหนอหนอนี่คนไทยมาแปลเอาเองมาแปลจากบาลีเอาเองแล้วก็แปลไว้ไหนในในย่อๆก็แปลว่าลงในอัตถวสังเวสลดใจเป็นนิบาศนี่อย่างหนึ่งสําหรับนักบาลีวยากรณ์แต่สํำนักสําหรับพวกมูลกัจเจียนะที่เรียนมูลเดิม เขาเรียกโมูนเดมิมโมลูนใหญ่เรียนยากโมลุนกัจเจยนะเนี่ยอาตมาเรียนมาต้องขึ้นครูเลิกพอจบสนสูตรสนกันหนึ่งจะขึ้นผลกันหนึ่งก็ต้องตั้งดอกไม้ถูเทียนขั้นหน้าขั้นแปดพอเรียนจบกันหนึ่งก็ขึ้นใหม่ตั้ง 5, ขั้นห้าขั้นแปดเกแล้ก่อนจริงจะเรียนได้เขาเรียกเรียนหนังสือใหญ่ถ้าเป็นนักโมลุนกัจเจยนะอย่างนี้จะมีความหมายได้ลึกซึ้งกว่ากันใม่เท่าทุกตัวอักษร นักมูลกัจจายนะเขต้องแย ก, กสั์คำว่าวะตะนี้สับเดิมมาจากอะไรวะตัวนี้มาจากวัตตะท่าแปลว่าวัตตะสังสารังตะตัวนี้มาจากตระท่าแปลว่าข้ามจะตั้งวิเคราะห์ศัพท์เป็นนักสอนสาศาสตร์ว่าวัตตะสังสารังตาเรติติวเตธรรมโมเป็นตัวประธานแปลตามรูปวยากรณ์ของมูลกัจจายนะว่าโยธรมโมอันวัตธรรมะใด สัพพสติอย่างสัตทั้งหลายต้องพวงตาเรติย่อมให้ข้ามวัตสังสรังซึ่งวัตสงสารยิติเพระเหตุนั้นโสธรรมวนวัรมะนั้นวะโตชื่อว่าะตะธรรมวนวัฒน์วะโตยังสัพพสติข้ามซึ่งวัตสงสารเดิมเป็นวะโตไม่ใช่วะตะก่อนแล้วแต่เดิมก็มาจากวะมาจากวัตสังสรังแต่เวลามาเข้าสันทิกันแล้วเขาจกมัดเีโลก คือลบทิ้งในท้ากลางคําว่าสังสารังนั่นมันอยู่กลางลบทิ้งเลยมันก็เหลือแต่วอตัวเดียวเสร็จแล้วตัวตาไ ร, ต, ร, ต, ร, ต, รตีติก็ลบทิ้งงวดทางหลังเหลือแต่ตัวตัวเดียวก็มาสําเร็จรูปเป็นวตัตโตะแปลว่าธรรมะที่ยังสันนัษฐานในข้ามซึ่งวตัตโสงสารแต่ที่นี่ต่อมาสละโอหายทําไมจึงหายเหลือแต่วะตตที่หายไปก็พอเพราะเหตุสองประการ ประการที่หนึ่งจะเอาสัพท์นี้มาเจนให้เป็นนิบาศนิบาศเขาไม่มีวิพัฒน์ปัจจัยเอาตัวล้วนๆเช่นวตตจะอะเ น, นี่โอเนี้ยโอ้เนาะอ่ออออะอะวัตะอันนี้พวกนี้พวกนี้พวกนิบาศพว ก, พวกอันนี้มันเป็นตัวนิบาศพวกสับเหล่านี้ปะนะอย่างเนี้ยเนี่ยเขาไม่ต้องใส่สละนี่อย่างนึงสองมาเข้าฉันเวลาแต่งฉันปัตถยาวัฏนี่ประโยคแปด แต่งฉันอักษรตัวที่ห้าต้องการรักษสละอนิจจาวะตะสังขาระนี่ออนิจาวตะตัวตัวที่ห้านี่วะตะวะตัวที่สี่ตะตัวที่ห้าเพราะฉนั้นตัววะตัวที่สี่แล้วก็ตะตัวที่ห้าตัวนี้ต้องการรักษสละคือเสียงสั้นพระโอเป็นเป็นทีฆะสละมาแต่งฉันแล้วก็ต้องตัดระโอออกหรือต่อต่อ ก็ไปรูปเป็นอนิจจาวะตถสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะเรามาย่อความจระจระแปดเต็มตัวเขาเรว่าธรรมะที่ยังสัมมัสสัตดใหนขามซึ่งวัตตะสงสารองค์ธรรมก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาได้แก่มรรคแปดมรรคแปทย่อสั้นก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองอันนี้เรียกว่าธรรมะที่ยังสัมมัสสัตดให้ขามซึ่งวัตตะสงสาร ทางสายกลางคือมรกแปดเป็นมัชฌิ ม, มาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกเพราะองค์จริงได้กล่าวอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าย่อลงมาทุกวันนี้ก็มาใช้กันเยอะแทบจะจำไม่ได้เลยกระทรวงทบวงคมก็ใช้ชื่อคนก็ใช้อักษรย่อกันทั้งนั้นแม้ต่างประเทศก็ยอก่อเช่นประเทศอเมริกาก็ u s a ่ย่อลงมาหมดชื่อคนก็ปตพอมเจสี่สนักงานเหมือนกันปตพอมเจร อ, อตอออ อ, อ อารพัตติเจยอ่อเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นวิธีของอักษรศาสตร์ตามสัพปะนอก็แปลงนี้ที่นิี่ไปที่มาเขามีแล้วเนงมาจากธรรมจักรกปรพนสูตรอัญญาศิวัตโผคนดันโยอัญญาศิวัตโผคนดันโยคนอนยด้รู้เลยเนอคนจันนะได้รู้เลยเนาสองมาจากพัตพดดติปิดอกเล่มที่สิบปางหาปาริิพันนสูตรหน้าร้อยแปดสิบเอ็ดวันพัตตีสิบห้าสิบหกตัวที่ห้า ว่าอนิจจวัตสังขาราอุปาวทวยตธรรมิโนอุปัติตาวานิรุตชันติเตสังบโบปโสรุโคอนิจจาวัตสังขาราสังขัญทั้งหลายไม่เที่ยงเนาอุปาวทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอุปัติตาวานิรุตชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังบสโบปโสรุโคหากว่าสังขัญคือรูปนามดับไปพร้อมตัณหะขาดไปหมดเป็นสุขในโลกความหมายอย่างนี้แหละครับ ทีงสงศ์ไที่ไหนอถามมาอันนี้เกาผมวันนี้ก็ได้รับจดหมายของโยมท่านหนึ่งที่เขียนมาปัญหานั้นก็ถามว่าดิฉันเมื่อลงมือปฏิบัติเช่นกำลังเดินตรงกลมท่านห้ามนึกห้ามคิดและห้ามท่องบนห้ามหมดเราจะไปนึกหรือไปท่องบนว่าตาย่างหนอตาอย่างหนอ ไม่ได้ถ้าไปกําหนดโดยการท่องหบนในใจอย่างนี้มันจะเป็นการซ่อนเล่นตอนจริงตามสภาวะที่เราปฏิบัตินั้นถ้าไม่ให้ท่องบนในใจดิฉันสงสัยมากค่ะดิฉันจะต้องทําอย่างไรคะจึงจะถูกต้องจริงๆตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าถามเพียงนี้ครับพระเถรคครับทีน่ทนะครับ ถือห ม, มายไว้ว่าห้ามท่องบนนะว่าป่ายย่างหนอต้ ย, ย่างหนอหรือพองนอ้อทุกหนอไม่ได้ครับอบอกเกิดขึ้นอัดใจครับจะทายังไงครับก็สงสัยเลยก็ ด, ดีแล้วแล้วเราไต้องทําอะไรสิ่งนั้ น, น, นท่องก็ไม่ท่องก็ไม่ต้องทําอะไรสิอยู่เฉยใช่ไหมร่อ ง, <c oughs> งก็ไม่ได้ไม่ท่องก็ได้มันมีพระโหนึ่งมีพระคนหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นทางจังหวัดศรีสะเกดไม่ต้องท่องอะไรเลยเน่ยจะเข้าแบบเดียวกันนะเวลาที่หนึ่งคือไม่หท่องพระโเนี้ เพราะคณเจ้าได้ยินไหมเขาลงนึกซื้อพิมพหรือเขาเผาไอ้สร้างกุตีไว้กี่หลังอ่ะเขาเผาเอาคางภษาเนี่น่ะสร้างไว้ยเยอะเนี่ยกุฏีเล็ก ๆ, ๆย เ, เ, เยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเอเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะยออะๆเออะองๆเไไองยเอะอะะๆเยอะยะเยอะยอะๆเยอะอะๆเยอะๆเอะๆเยอะๆอะๆเยอเยอะๆอะๆเยอมๆเยอะอะๆเยออะๆองเอเย <c oughs> อย อ, อเยอยอะๆอยะๆเอะๆอะเอยอะเยียเยอะๆเยอะๆเอะๆเยอะอะๆเยอะเยอะยอะเยอะเยอะยอะๆเ้อะๆอะๆอะเเยเยเยอนๆเยหะๆเยอะๆอะๆอะไเยเไ อ, ไอะๆเยั้ๆเะ ปฏิจจานาอะไรก็ว่านึกเอาเองสมมุติจะอธิบายธรรมะก่อศาสนานะศาสนานี่แปลว่าคําสั่งสอนห้อยเจ้าพวกนี้โง่แปลผิดหวังนั่นนะเออแล้วี่แปลถูกเขาแปลอะไรว่าแปลว่าสะตัวนี้แปลว่าสะอาดแปลวล่าชําระหนาตัวนี้กิเลสหนานะเขาเอาของเขาอย่างนี้นะ่ะบริโคคเขาเรียกบริโคคว่าเอาเองนึกเอาเองเอนี่ยั่นแหละไม่ต้องอาศัยหลักฐานอะไรเขาเรียนมาเกือบรู้ก่ตายก็จะแปลออกแต่ตัวไปแปลเอาใหม่ไปศาสนาก็มาจากสะแปลวล่าชําระ หนาก็แปลว่ากิเลสมันหนาชำระกิเลสออกก็ว่งั้นนะอย่างนี้แหละแต่เขาตะเทศเขาเทศอย่างนี้บริโคกเขาเรียกบริโคเพราะว่าขึ้นเอาเองแปล่าเองไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่ต้องดูท่าดูวิเคราะห์ปัจจัยอะไรทั้งนั้นอันนี้แหละสัตว์ธรรมะเป็นโลกมันเกิดขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้ยากดวงเขาดูไม่ได้ก็เอาไฟเผาเลยมัไปเผากุฏิที่หมดภายในกรณฑ์นเนี่ยยังไปแอรอัดกันอยู่สไลนี่เรียกเขาจะเผาศร้ายอีกก็ยังไม่รู้นะเนี่ยนี่แหละแสดงตัวว่าให้อยู่เฉยไม่ต้องภาวนาอะไร มันผิดหลักก็หลักเพราะว่าทำไมภาวนาอะไรเราลองนึกพระคุณเจ้าลองนึกดูสินในหลักธรรมะท่านเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยมันมีภาวนาสามใช่ไหม<ช>จําได้ไหมภาวนาสามอะไรหนึ่งปริกรร ม, มภาวนาสออุปจารพภาวนาสาม 3. อั ป, ปนาภาวนาใช่ไหมครับผมเออทา่ยนั้นพระฤาเจ้าจะเทศให้ทหําไหมภาวนาสามเนี่ยทำไมให้เราภาวนาเนะนะนะไม่ให้ท่องก็ มนทั้งหลายจะเศ้าหมองก็เพราะไม่ท่องอาสัจชายแมันตามมาลามนทั้งหลายมีการไม่ท่องบน่นเป็นบน่นหินแะน่ไม่ท่องก็พิริขแค่เ ม, มื่อแล้วในลักษณะของปองหสูตรอที่วันนาถกัลยาณธรรมสืบลองนักตูสซีในข้อที่สองปองหุสูตรโตนะนะั่นแหละผู้ที่จะเป็นปองหสูตรหนึ่งท่องสูตรตต้องศึกษาเราเรียนมามากแล้วก็ต้องจําได้แม่นสองเมื่อศึกษาเราเรียนมามากฟังให้มากจำให้มากดูให้มากต้องดูได้จําได้มากด้วย ไม่ไปท่องอะแย่เลยี่เอาไหนมาจําเทโยมฟังก็ไม่ได้แล้วเห็นไหมล่ะอสองต้องอ่ศึกษาเรียนมากสามต้องสอบสวนแล้วต้องคัดเลือกว่าอันไหนมันเป็นงามในเบื้องต้นงามในตางกลางในที่สุดสามต้องสอบสวนตัวหนังสือพยัยาชนะตัวหนังสือว่าเช่นเนาะเนี่ยตัวหนังสือวันวะตะนี่มันเป็นพยนนายชนะที่นี่ต่อไป อ, อธิษฐานคือความหมาย ลัทธะหมายของไงก็หมายความว่าธรรมะที่ยังสันนิษฐานให้ขํามจังหวัดตสงสญญารโดยองค์ธรรมก็ได้แก่มรรคแปดเนี่ยนี้เขาเรียกอัทธะเรียกว่าอัทธะคือความหมายเมื่อตีความหมายอย่างนี้ได้แล้วต้องสอบสวนสอบสวนกับหลวงสือเสร็จแล้วต้องเขาเรียกว่าต้องลงมือปฏิบัติที่เนี่ยลงมือทำที่นี่วิธีลงมือทำพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ด้วยฮะหนึ่งข้อหูสุดตาต้องฟังจากจากุวยะในมากแสงตาต้องจําได้ เมื่อฟังแล้วต้องจําได้สามวัะจะสามปริกิตาต้องคลองปากไม่ไม่ค้องปา ก, คปากแคเอาอะไรว่าไม่จําไม่นึกถึงจะเอาอะไรว่านะคือมัณส า, านุปปิคีตานี่เห็นไหมมัณฑสานุปปิคีตาต้องตามพิจารณาด้วยใจมันไม่พิจารณาด้วยใจไม่ทําด้วยใจไม่บนด้วยใจไม่นจะไปจําได้ยังไงห้าทิทยาสุปฏิวิทาจึงจะแทงตลอดด้วยปัญญาปัญญาจึงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นอยู่เฉยเฉยไม่ภาวนาอะไรไม่เป็นกรรมฐานครับถ้าพระคุณเจ้าไป สมมติว่าคนเจ้าไปเห็นไปตลาดนี่นะไปเห็นของเนี่ยไอ้คนเจ้าก็เดินดูเอาวพอคนเจ้าไปสืบทิฟไปเห็นเทพอนตนเห็นเทปอย่างนี้อย่างนี้เป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นใช่ไหมแล้วก็เออแล้วก็เฮ้ยลองนึกดูสีควายมันก็มีตาใช่ไหมมีตามันเห็นยาที่ไหนเฉีวเฉียวมันก็ดูได้ใช่ไหมดูได้อย่างนั้นเป็นกรรมฐานไหมอย่างนั้นไม่เป็นเออนี่ถ้าอย่างนั้นเราทุกคนทุกวันเนี่ยไปที่ไหนที่ไหนก็ดู รถผ่านมาก็ต้องเห็นขึ้นสะพานก็ต้องเห็นไปที่ไหนมันก็ต้องเห็นออถ้ากรรมฐานเกิดง่ายแค่นี้มันก็น่าจะสำเร็จกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเราคงมั้งหรือไงนะครับผมตามตัดทองตลาดก็จะไม่หมดเลครับนั่นค่าขายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก่ะโยมพูดในกระเห็นใจคือต้องที่ถูกจะทําอะไรจึงจะถูกจงก็หาเหตุก็ดีแล้วแหละที่เราจะภาวนาก็ต้องภาวนาได้ไม่ขัดข้องเพราะว่าปริกรรมภาวนา สมมติเราเอาน้ําใส่กแก้วมาสักแก้วหนึ่งเรามานั่งดูอยู่เฉยๆมันก็ไม่เป็นกรรมฐานแม้จะดูว่าน้ําแก้วนี้มีตัวสัตว์ไหมถ้าเป็นพระเป็นเนรไม่มีตัวลูกน้ํำไหมดูอย่างนี้ก็ไม่เป็นกรรมฐานอาหารที่ใส่ถ้วยมาเรามาดูมีเส้นผมตกลุ่มเปล่าสะอาดหรือเปล่าไม่ก็ไม่เป็นกรรมฐานพระเจ้าก็ต้องให้พิจารณาปฏิสังขารโยนิโสบินฑบาตังประเทศเสวมามิดูสิ เอออันนี้ก็เริ่มเป็นกรรมฐา น, นเป็นกรรมฐานแล้วต้องพิจารณาว่าในใจก็ได้ออกเสียงก็ได้ฮะทาไมพิจารณาบาปซิเลยลองนึกดูสินขนาดจะฉันเข้ายังให้พิจารณาถ้าเริเ<า>สกปฏิสังขโยไง ล, ละ่ะเออคาถาวันนี้ครั้งนาะเวลากรรพบุเป็นเด็กเนี่โอ้ยเด็กมันเป็นตาเปียกแสดงตาแชะผมใช้ปฏิสังขโยเนี่ยเสกคำหมาค่าเก็บคำเนี่ยหายทุกข์ทรายเลยเพราะฉะนั้นมันศักดิ์สิทธิ์ต้องเสกไม่เสกไม่ได้ ไม่ภาวนายังไม่ถูกละเพราะอะไรเพราะขาดปริกรรมมภาวนาดังนั้นการภาวนานี้ไม่เสียหายอะไรเลยถูกต้องไม่ภาวนานั่นแหละจริงๆจะไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าปริกรรมมภาวนานะถ้าเราว่าโดยละเอียดแล้วพระพุทธเจ้าทำไงว่าเลืยไปภาวนาปริกรรมมภาวนาอุปจารเราภาวนาอัปนาภาวนามีอยู่สามอย่างปริกรรมนิมิตอุกานิมิตปฏิภาคนิมิตเขามีอยู่อย่างนี้ทิ้งไม่ได้เราไปดูวิธีจิต ในมรรควิถีที่เจ็ถึงนิพานก็ยังมีปริกรรมมาภาวนาอยู่ใช่ไหมล่ะเออนั่นต้องบกวิธีจิตของมรรทะของติขบุคคลมรนทะบุคคลของมรนทะบุคคลวิถีจิตที่ดวงที่หนึ่งเรียกภาวนาดวงที่หนึ่งเรียกว่าปริกรรมที่สองเป็นอุปจารที่3มเป็นอนุโลมที่สี่โคตรระพูที่ห้ามักที่หกขนที่เจพลเขายังมีปริกรรมอยู่ปริกรรมก็คือนึกคือภาวนานั่นแนนนหละครับ นี่ทำไมพอน่าดูอยู่เฉยเฉยเอสมมติอย่างพ่ะคุณเจ้าจะดูภาคขาวนี่แหละจะให้มันเป็นสมถะกรรมาฐานถ้าคุณเจ้าดูอยู่เฉยเฉยทั้งวันมันจะเป็นกรรมาฐานไหมก็ไม่เป็ น, นครับเป็นไม่ได้ใช่ไหมอยูเฉยเยก็ไม่เป็ น, นเออดูเฉยเยนี่กรรมาฐานก็ไม่ใช่อ่าปรัณนาก็ไม่ใช่ใช่ใชแล้วทีนี้ถ้าถามหลักต่อไปอีกดูด้วยอะไร <c oughs> บาลีท่านกล่าวไว้เรียกว่ายานัคติธรรมใช่ไหมพ้าครับยาคณิธรรมมันมีกี่อย่างล่ะก็มีห้าอย่างครับผมอะไรบ้างครับคือโมหะโลภะ วิตถิวิตต่อวิตใจเนอะนี่แหละท่าเรียกว่าญานะติธรรมแปลว่าธรรมะที่มีคติเหมือนกันกับตัวปัญญาเนี่ยถ้าเราดูดูเฉยๆพอคุณเจ้าดูอยู่เฉยๆผมดูอยู่เฉยๆใครคนอื่นก็นตามดูอยู่เฉยๆเอาดูเครื่องเทพมันหมุนก็ดูก็เห็นมันหมุนไปอยู่อย่างนี้ไม่เป็นกรรมฐานนะเพราะมันเป็นไม่ได้อะเพราะอะไรเพราะขาดภาวนาดูเ ร, เราก็เห็นเครื่องเทพมันหมุนเราก็เห็นอยู่อย่างนี้แหละแต่ไม่เป็นกรรมฐานต่อเมื่อเราภาวนาว่า เห็นน้องเห็นน้องไม่จึงจะเป็นวิปัสนาถ้าจะเป็นสมฐานก็มันสีขาวก็โอทาตะสีขาวสีขาวสีขาวถ้าเห็นสีเขียวก็สีเขียวสีเขียวจึงจะเป็นเอาน้ํามาก็ต้องภาวนาอาโปอาโปเอาเทียนมาไว้ก็ต้องบัดเตโชเตโชเตโอ่าวิตกจกที่ขึ้นสู่ไฟวันนี้เป็นกรรมฐานได้เพราะฉะนั้นยอมสงสัยนี่ก็อ้าที่ถูกก็ให้ภาวนายอมนะโยอมหาที่ถูกทาอะไรต้องภาวนาภาวนาฉะนั้นถ้าจะเอาสมถะก็ภาวนาพุทโธพุทโธนี่ก็ภาวนา นามะพทะนามะก็ภาวนาไม่ภาวนาก็ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นกรรมฐานอย่าให้เป็นวิปปัตนาก็ต้องภาวนาตามลักษณะของอารมณ์นั้นๆัครับผมอ้าวปัญหาเนี่พระพุทธเจ้าก็สอนให้ภาวนาเหมือนกันไม่ใช่หรอครับใช่สอสาวกองในในสัปปะอะไรพระจุลาพันธุ์นะฮะจุฬาพันธุกก็ภาวนาเชิใช่เอาผ้าขาวให้อ้าวเธอไปนั่งบริกรร ภาวนาว่าไรโชลานังไรโชลานังไรโชลานังผ่ายชิตุรีผ่ายชิตุรีผ่ายชิตตุรีภาวนาเท่านั้นแหละดูการสอนให้ภาวนาใช่ทีนี้จ้าว่าคนเข้าใจว่าสอนให้ภาวนานี่เป็นเรื่องผิดเงี้ยพุทธเจ้าก็สอนผิดใช่พุทธเจ้าก็สอนผิดอย่างนั้นเราก็ไม่เชื่อพ่อของเราจีนะคิดดีๆเออสมเด็จพ่อของเราสอนให้ภาวนาเออโดยทิจะว่าเป็นคนภาวนาเลยนะนกก็ภาวนานในสมัยนั้นนะเออมีนาหะกุศลกิจตา นกแขกไอ้นกอะไรเขาเรียกน ก, กอไอ้นกแขกเต้ามันไปไอคนที่เล่นละครสัตว์มันไปเลี้ยงไว้สํานักนางพิกชนีนางพิกชนีก็มาเลี้ยงไว้วันหนึ่งมันออกไปพิงแดดเขาสอนให้ภาวนาอัติกรรมอัติกรรมอัติกรรมอัติกรงม ก, ง อ, กงองกระดูกกองกระดูกกองกระดกูกแค่ละน<ก>่ะนกมันก็ภาวนาเลยกองกระดูกกองกระดูกกองกระดูกเฮยทีนี้เปิด น, นกใหญ่มันมามันตะพบอะไรอยู่ในกองเล็บมันก็ท้องกองกระดูกขับของกระดูกของกระดูกขับกองกระดูกของกระดูกขับของกระดูกก็ภาวนาเลยตายสินก่ะ พวกไม่ชี้พนั้นพวกไอ้นางพิทูลีนั่นก็วิ่งไปตบมือเขา้าแสดงส่งเสียงร้องของมันตกใจก็วางมาเขาก็กลับมาก็ถามว่าเธอภาวนาไงขนาดนั้นเขาบอกกองกระดูกเข้ากองกระดูกเขาก็อธิกะอธิกะอธิกะนกมันยังภาวนาเลยเออแต่อย่างนั้นเราควรสู้เอาไว้ใดที่ทนะครับเกทก็นาะครับเพราะนั่นพระอรุตาจารย์ที่ท่านแต่ง่ใน อภิธรมัตถะทั้งหาในบาลีประโยคเก้าที่ว่าสมัตวิปัสนานังภาวนานมิโตบาลังใช่ไหใช่ท่านท่านก็ยังจังว่าคําใส่ภาวนาไปด้วยทำใส่ภาวนาไปด้วยสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาใช่แต่บัดนี้อะไรที่บัดนี้เราจะบัดนี้เราจะแสดงกรรมฐานสองให้ท่านฟัง คือสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนานั่มันก็ยังมีไม่ใช่หรือครับมียังมีครับเพราะฉะนั้นภาวนามันก็ไม่ผิดไม่ใช่หรอครับถูกแล้วครับผมอันนี้ก็กเกาผมที่แรกก็สงสัยเหมือนกันแต่ญาติโยมพูดตามนี่สงสัยนะครับว่าาท่านไม่ให้ท่องไม่ให้ข้องไม่ให้บนไม่ให้ไม่ให้คิด่ให้อะไรบ่นเลยดีนะโอ้นั่นเป็นกรรมฐานได้อ๋อสบายที่ไหมท่องข้องไม่ท่องบนท่องบนมันลาบากดูเฉยๆยังก็โผลเผาเลยอ่าใช่ เอะครับปรเดีนวคุณหลวงพ่อครับ<ม>ก็การเวลาเห็นว่าพอสมควรนะครับศานสนาทุชนผู้ใจบุญถลายตอบปัญหาของญอาติโยมเกี่ยวกับการปฏิบัติปนาเห็นใจทุกวันนี้ญาติโยมสนใจปฏิบัติมากเมื่อวันหนึ่งอัตมาก็าไปสอนโน้นคลองบินที่อ่าอายากองบินที่ตังนครบถมโนน่ะกำแพงแสนโน่นแหละมีเด็กนักเรียนนสองพันสามพันสี พากันมานั่งกรรมฐานแล้วก็มีพวกฐานประมาณ8ปดร้อคนมานั่งกรรมฐานรู้สึกสนใจปฏิบัติกันว่าเด็กนักเรียนทางสมุรทร้องถามโนนอาจารย์สุพงศ์เนตรสว่างพร้อมเบิคณะภูวจารย์สอนไปยัง20่โรงเรียนแล้วโรงเรียนโยทินโบราณนี่ก็พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติมาเรื่อยมาเป็นเวลานานแล้วเพราะฉะนั้นธรร ม, มะนี่เป็นของดีอยาเป็นยังไงก็พากันปฏิบัติไปเถอะดีทท่งนั้นแหละอยากใครจะว่าอย่างไรก็ลองดู แต่ดีที่สุดลองดูทุกครูวาจารย์นั่นแหละอาจารนไหนเราชอบใจให้ไปปฏิบัติตุคอนเพื่อปฏิเสธจะเป็นยังไงสอนอยังไงก็อลองดูคอนแต่ก็ต้องระวังนะบางทีถ้าไปทําผิดมันเกิดโทษเพราะอาตมาในใดแก้โทษของคนที่ไปทําผิดมาเยอะโยบางคนไปภาวนานมัพะทะมาแล้วเป็นแพทย์จากอเมริกาจบปริญญาโทรมาก็มีสติไม่ค่อยดีมาก็ต้องมาแก้ที่กันอาห้า บางคนก็ไปพนาอีกอย่างไหนไม่ทราบมาจากจังหวัดสุพรรณจะมาจะมาแก้ผ้าเจสินอยู่เถกณนะก็ต้องให้ตำรวจจับไปอืมันมีอยู่อย่างนั้นก็อย่างนั้นก็ต้องระวังหน่อยถึงแม้จะเป็นของดีก็จริงแต่บางทีมันเผลอไปมันอาจจะทําให้เรายึดผลิตผิดไปได้ก็เป็นได้อันนี้ก็สําคัญอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องศึกษาให้ละเอียดซะก่อนสํานักไหนเราควรจะปฏิบัติอย่างไรกับปูดูให้ละเอียดแต่มันดีทุกสํานักดีทุกแห่งนั่นแหละธรรมะของพระเดชจ้า แต่บางสิ่งบางอย่างเรารู้เท่องไปถึงการเราไปทําผิดพลาดมันก็อาจจะให้โทษดังที่อัตมาป harma nī อันขอสําคัญเราก็วางตนเป็นกลางมันดีมันถูกเลยกันทั้งนั้นสํานักไหนก็ตามเอาคนเข้ามาสู่ศาสน า, าได้เราเป็นลูกขอเดียวกันทั้งนั้นเ อ, อขอให้พากันปฏิบัติเถอะสานักไหนดีก็ไปมาปฏิบัติสํานักป ร, รมธธท่าเสร็จไปสํานักไหนชอบใจเอาเยิ่แต่มันปฏิบัติได้เยอะๆก็เรื่องดีหลายเราเนี่เป็นลูกขอเดียวกันนะธรรมะวินัยก็ก็ไตปิฎกเลื่อเดียวกันนั่นแหละ อาตมาเอาคนมาเข้าวัดได้สิค น, น, นคาานอื่นๆครูบาอาจารย์อื่นเอาเข้าอีก10คนมันก็เพิ่มกันอีกเป็น20มันไม่ิมมมเต็มหรอกอย่า ก, กลัวาศาสนาจะเต็มแล้วก็อย่า ก, กลัวใครไม่มาหาตัวเองจะไปเรียนที่คนหมดไปเถอะขึ้นที่ไหนที่ต่างนั้นหูวงพอเดียวกันเป็นชาวศาสนาของเราทุกคนเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเราไปชื่อว่าเราบูชาสมเด็จพ่อเราด้วยการปฏิบัติการขัดจันทการทระเลาะการกันเที่ยงกันไม่มีประโยชน์อะไรเลย มีแต่ความเสื่อมเท่านั้นไม่มีความเจริญอันทางใครว่าของใครดีก็สอนไปเถอะใครชอบทางไหนก็เอาเถอะรังเนื้อชอบรังยาดีทั้งนั้นอขอให้เข้ามาสู่ภาษาศาสนาได้อย่าไปเป็นโจรเป็นผู้ร้ายอย่าไปลักไปขโมยเราต้องการให้คนทุกคนมีศีลธรรมวัฒนธรรมดีคอยช่วยกันกวามเกาล้อๆออุปนิสัยใจคอของประชาชนลูกหลานให้พอกันมีจิตใจนมน้อเข้ามาสู่ภาษาศาสนาภายใน ต่างๆภัยของสังคมก็จะลดลงภัยของประเทศชาติก็จะน้อยลงไปการปกครองก็จะสะดวกสบายขึ้นความอยู่เย็นเป็นสุขก็มีมากขึ้นขเพราะเราหันหน้าเขมรสู่ธรรมะเพราะฉะนั้นขอทุกท่านที่เป็นครูวิจารณ์ก็ช่วยกันอย่างนี้ศาสนาก็าจะเจริญการโจมตีกันกันว่ากันไม่มีประโยชน์ในหลอกศาสตร์น้ำขอกันโกูกพอเดียวกันเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าเราทำกิจจะใช้เขาอะไรแต่อย่างนี้อาตมภาพในบรรยาย ปัญหาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องพ่อวัดปฏิบัติปัญหาต่างๆเสียอันพลน้อยหากว่าขัดข้องหากว่ากระทบกระเทือนจิตใจของผู้ใดกขออภัยไม่มีขีตนาอย่างนั้นต้องการที่จะให้คนเข้าใจธรรมะต้องการที่จะรักษาศาสนาของสนเดชพ่อไว้ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบต่อไปจนกระทั่งถึงหพันประวัติศาอธตรมภาพที่สองได้ไขมาสิลาอันพลน้อยถ้าขัดตกปุกป้องกขออภัย อาเป็นประโยชน์ขอขอให้โยมได้บุญได้กุศลได้ได้ความรู้ด้วยในที่สุดนี้โดยอำ น, นาจคุณบุตีรัตนักไตอติอัยบุญยญช ข, ขอท่านผู้ใจบุญทล า, ายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกส่คข้ายเจริญในอายุวันนะสุขปรณปฏิพัณธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิดด้วยกันทุกท่านเทิด